ท่านพระเทราุเทราซเ่งในที่ประชุมนี้มีท่านเจ้าคุณพระราชรัตนมนีรักษาการผู้ในการสำนักการวิยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่าน รู้สึกปปติบินดีที่ได้มาอยู่ตรงนี้พร้อมๆกับท่านทั้งหลายในบรรยากาศของการประชุมทางวิชาการระดับชาติเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดย เวียเขตบาลีศึกษาพุทธโคดในหัวข้อที่เป็นวิสัยทัศน์ของสถาบันแห่งนี้ก็คือบาลีปริยัติก้าวหน้าพระพุทธศาสนามั่นคงเสริมส่งวิปัสสนาสุสากลที่ว่ามีความยิน ด, ดีก็เพราะ ว่าจะมีวันนี้ของวิทยาเขตแห่งนี้ต้องมีการริบเริ่มมีการจุ่มใจหลายๆฝ่ายให้เปิดการศึกษาบาลีพุทธศาสตร์ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ในการที่จะจูงใจให้สภาหมหาวิทยาลัยมหาจุราลงกรณราชวยลัยอนุมัติให้เปิดการศึกษาที่นี่ตรงนี้ในเรื่องนี้ก็โดยที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธเจงา์ผู้ก่อตั้งท่านมีเจตนารมที่แรงกล้าตัวท่านเองได้ ศึกษาหาข้อมูลดำเนินการในเรื่องการศึกษาในสิ่งที่เราเรียกกันว่าบาลีพุทธศาสตร์ด้วยตนเองและเห็นคุณค่าของการศึกษาบาลีปริยัตในแนวนี้เป็นอย่างยิ่งต้องการให้มีสถาบันการศึกษาใน คณะสงฆ์ไทยในพุทธศาสนาเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการศึกษาพระประยันติธรรมแผนบาลีให้มากยิ่งขึ้นได้องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ก, การเผยแผ่พระศาสนาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมก็เกิด สถาบันการศึกษาแห่งนี้ตรงนี้ขึ้นมาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งสถาบันแบบนี้ตรงนี้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะก็คือในเรื่องของบาลีปริยัตบาลีพุทธสารและวิปัสสนาภาวนา ทั้งสองเรื่องนี้เป็นเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีสถาบันการศึกษาแบบนี้แห่งนี้พันธกิจในเรื่องนี้ทางวิทยาเขตก็ดำเนินการมาตลอดอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เราสามารถอวดชาวโลกได้ว่าเราก็เปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งใดในประเทศไทย สามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ก่อนที่จะเปิดการศึกษาแบบนี้โดยเฉพาะในเรื่องของกรรมฐานนั้นได้ได้มีความพยายามที่จะดำเนินการที่มหาวิทยาลัยมหาจราลงกรราชวิทยาลัย ในช่วงที่เรายัางไม่มีพระราชันยติเป็นของตนเองจะต้องผ่านด่านก็คือสภาการศึกษาส่งและอื่นๆพอเราจะเปิดเรื่องวิปัสสนากรรมฐานการศึกษาแนวนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากภายนอกตั้งคำถามว่า แล้วจะประเมินอย่างไรก่อนจะรับปริญญาเนี่ยท่านจะประเมินวัดผลประเมินผลอย่างไรเพื่อให้จบรับปริญญาคำถามตรงนี้หมายถึงเรื่องคุณภาพของบัณฑิต ก็ถกเถียงกันนะัจนกระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเชนวงค์ท่านกล้าหาญตาัดสินใจเปิดมีจุดที่คนไม่ถามว่าวัดประเมินอย่างไรเพราะท่านเน้น p r o c e ส s กระบวนการซึ่งมันตรงกับ วิธีการประกันคุณภาพในปัจจุบันที่เรียกว่า QA โดยในกระบวนการประกันคุณภาพของมหาจุฬามันจะมี4คำ I P O I I ตัวแรกก็คือ input input หมายถึงตัวป้อนเนี่ย IPOI ซึ่งเรากำหนดการประกันคุณภาพของหลักสูตรของเราไว้ก็คือปัจจัยนำเข้าใครสอนใครเรียน เรียนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรก ร, ระบวนการแล้วก็จบออกมาด้วยการวัดผลประเมินผลอย่างไรสุดท้ายจบแล้วมีผลกระทบมีอิมแพ t เป็นที่ยอมรับมีผลต่อสังคมอย่างไรปรากฏว่าหลักสูตรวิปัสนาภาวนาที่จัดที่นี่ เข้าเกณฑ์ทั้งสี่ข้อหมดแค่ข้อที่สองไอ้แค่ปัจจัยกระบวนการปริญญาโทด้วิปัสนาภาวนาของพุทธโคตมีภาคปฏิบัติที่เข้มมากต้องนั่งกรรมฐานในภาคปฏิบัติเจเดือนเจเดือน แล้วสำนักที่สอนที่นำในเรื่องนี้ก็เข้มขน้นในเรื่องของปัจจัยนำเข้าคือใครจะมาเรียนตอนแรกก็สอบข้อเขียนอย่างเดียวเรียนไปเรียนมามีออกกลางคานเรียนไม่จบมา่ดรอปเอาต์ต่างตง ทราบว่าเพราะไปเขียนวินิพนธ์เนื่องจากว่าปฏิบัติกรรมาฐานถึงขั้นปล่อยวางเลยไม่เอาปริญญากันนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ยอมไปปฏิบัติเจ็ดเดือนเจา้าบุญคนสำเร็จก็บอกท่านอธิการขอขอสอบเข้าเฉพาะพิเศษเลย ไม่ได้สอบข้อเขียนอย่างเดียวสอบภาคปฏิบัติด้วยเป็นวิธีคัดกรองถามว่าสอบอย่างไรบอกให้ไปนั่งกรรมฐานหนึ่งเดือนหรือสามเดือนหนึ่งเดือนนะถ้าใครนั่งผ่านหนึ่งเดือนแสดงว่ามีแววพวกที่ไม่สู้เนี่ย ตกไอ้หนึ่งเดือนเนี่ยเยอะไอ้พอสมควรพอผ่านกระบวนการภาคปฏิบัติตรงนี้มาเรียนเนี่ยสู้ตลอดรับปริญญากันหลายรุ่นหลายรูปมีผลกระทบก็คือผู้ที่เรียนจบในหลักสูตรนี้ได้รับการเชื่อถือยอมรับ ผลิตไม่ทันส่งออกไปต่างประเทศไปเป็นวิปัสนาจารย์กันทั่วโลกยังไม่พอใช้และได้รับความเชื่อถือเพราะกระบวนการควบคุมคุณภาพหนักแน่นในส่วนกลางอยากจะเปิด วิปัสนาภาวนาก็ต้องมาดูงานที่นี่จึงถือว่าเรื่องของส่งเสริมส่งวิปัสนาส่สากลเนี่ยที่นี่ทำแล้วประสบความสำเร็จด้วยให้ท่านทั้งหลายมาดูงาน อาจจะเป็นแฟรนไชส์ของพุทธโคดก็ได้ได้ครูบาอาจารย์ที่นี่ไปควบคุมหลักสูตรไปสอนและก็เป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยเพราะมันตอบโจทย์ตอบโจทย์ของปรัช ญ, ญามหาจุฬาที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมในสประโยมนี้จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือองค์ความรู้ในพุทธศาสนาแล้วเชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและสังคมเนี่ยแม้เราจะมีหลักสูตรในสาขาวิชาเอกอื่นๆให้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาปริญญาตรีนี่สี่สิบวันเอ่อสี่ปีเนี่ยนะ ปริญาโทรหนึ่งเดือนปริญาเอกเดือนครึ่งต้องนั่งกับประฐานเป็น Requirement เป็นส่วนหนึ่งของการจบที่จะต้องไปปฏิบัติแต่มันยังคุยไม่ได้ว่าเราได้ผลิตวิปัสสนาจารย์เพื่อการนี้ด้วยสถาบันแห่งนี้ได้ทำพุทธโคตเนี่ยได้ทำ และไม่ได้ทำในเรื่องของข้อที่สามพัฒนาจิตใจและสังคมด้วยกระบวนการวิปัสสนาเท่านั้นยังได้ช่วยในเรื่องการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเน้นในเรื่องคณะที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสตร์บาลีพุทธศาสตร์ เชื่อมโยงบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นำไปสู่การพัฒนานไปสู่กระบวนการพัฒนาจิตใจสู่สากลเพราะฉะนั้นหัวข้อเนี่ยที่ว่าบาลีปริยัติก้าหน้าเนี่ยมันคือเป็นกระบวนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่นำเอาวิธีการวิปัสนาธุระไปสู่โลกทั่วโลกถามว่าการให้การศึกษาในเรื่องของบาลีปริยัตวิปัสนาเนี่ยมันนำไปสู่ความมั่นคงของศาสนาอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้เราก็จะต้องเข้าใจถึงข้อแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาว่าความมั่นคงเนี่ยมีเป้าหมายรักษาความมั่นคงของพุทธศาสนาเนี่ยเพื่ออะไรพุทธศาสนาจิรังติดถตุ เวลาเราพิมพ์พระใจประโยคของมหาจุรยาจะมีประโยคนี้พระพุทธศาสนาขอพุทธศาสนาจงสถิตสถาพรตลอดเจริญทิิกันสถิตสถาพรเจริติกันคือนานเท่านานให้มันเกิน 5,000 ันปีเพราะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกก็ไม่ว่างจากพระอระหันต์พุทธศาสนาก็อยู่ได้ตลอด ด้วยความมุ่งหมายที่ให้พุทธศาสนาอยู่คู่ฟ้าดินมันจะเกิดแนวคิดเรื่องความมั่นคงความมั่นคงนี้ก็คือเมื่อทำโรงรักษาศาสนาแล้วศาสนาจะไม่อันตรทานไปจากโลกนี้พระอฐฐาิกาถาจารย์ท่านก็วิเคราะห์สยวาพระพุทธศา ส, าสนาจะ ไม่อันตรธานด้วยเหตุใดและอันตรธานด้วยเหตุใดจากอันตรธานไปจากประเทศไทยด้วยเหตุใดหรือได้อันตรธานประยะหนึ่งจากอินเดียด้วยเหตุใดมันมีบทเรียนท่านก็พูดถึงาศาสนาอันตรธานด้วยเหตุ ก็คือมีปริยัต์อันตรธานปฏิบัติอันตรธานและก็ปฏิเวทอันตรธานเวลาที่พุทธศาสนาอันตรธานจากอินเดียในอดีตเนนะี่ยจนจะ ต, ต้องมีการฟื้นฟูคือรีไวว์วขึ้นมา เ, นเมื่อพุทธศาสนาจะอันตรธานจากดินแดนใดดินแดนหนึ่งหรือจากโลกทั้งใบ ถามว่าในสามอย่างนี้อะไรอันตรทานไปก่อนคำตอบก็คือปฏิเวทอันตรฐานข้อสามเนี่ยผู้บรรลุภักักผลไม่มีในโลกนี้ในประเทศนี้ต่อมาก็การปฏิบัติก็ไม่มีไตรซิขาเนี่ยไม่มีผู้ปฏิบัติมันก็จะ ไปถึงปฏิบัติอันตรธานศีล ส, สมาธิปัญญาไม่มีดังที่เราพูดกันถึงว่าเมื่อาศาสนาอนตรทานเนี่ยแม้แต่นักบวชก็ไม่มีเหลือแต่ผ้าเหลืองนอ้อยห้อยหูรักษาศีลไม่ได้อย่าว่าแต่สมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติอันตรทานปริเวศอันตรทานพระพุทธาศาสนายังไม่ชื่อว่าอันตรทาน ไปก่อนปรลการด่านสุดท้ายของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ปริยัติตราบใดที่ยังมีปริยัติคือการศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ตราบนั้นพระพุทธศาสนาไม่อันตรธานดังพระบาลีว่า ศาสนาธิทยาปณ ะ, ะปริยติประมาณักก็ปริยัตินี่แหละการเรียนพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นหลักแห่งการทำรงรักษาพระศาสนาศาสนาศาสนาธิทยาเนี่ยศาสนตธิติคือความมั่นคงตราบใดที่ยังมีปริยัติและปริยัติก้าหน้าเนาะ ตราบนั้นพุทาสนายังมั่นคงเพราะอะไรปันดิโตหีเตปิตาการสุตวาทเวปิปูเรติเพราะว่าผู้มีปัญญาเรียนพระไตรปิฎกเรียนปริยัติแล้วย่อมสามารถทำให้ปัิบัติและปัตเเวตกลับมาบริบูรณ์ได้ ท่านลองวาดภาพดูถ้าไม่มีปริยัติไม่มีการศึกษาพระไตรปิฎกไม่มีหลักอ้างอิงเลยการปฏิบัตินั้นเราก็ไม่รู้มันเป็นพุทธศาสนาหรือเปล่าไอ้สิ่งที่ว่าบรรลุเนี่ยมันบนรรลุแบบศาสนาไหนมันเหมือนอยู่ๆเราไปพบอ้างว่าพบขุมทัพย์ คุ้มสั้นนั้นมันคืออะไรแต่ถ้าเรามีแผนที่มีลายแทงไปตามนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันใช่ที่บรรพุรุษเราฝากฝังไว้ฉะนั้นจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่ใครก็ตามอาจหารมาปฏิบัติโดยไม่เรียนปริญญาต์และก็มากล่าวอ้างว่าตัวเองบรรลุธรรม โดยไม่รู้โดยไม่สามารถบอกได้ว่าไอสิ่งที่ตัวเองบรรลุน่นะมันใช่พุทธศาสนาจริ ง, รงๆหรือเปล่าในประเทศนี้จึงกำหนดให้พระสงฆ์ต้องเรียนป ร, ริยัตหลักสูตรแรกคือนวาวการพิขุนวโกวา่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีเนี่ย ก่อนที่จะไปตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์สอนใครเนี่ยจบนักธรรมเป็นอย่างน้อยมิฉะนั้นสิ่งที่เราไปเทศไปสอนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เกณฑ์มาตรฐานในการทำารงรักษาพุทธศาสนา อยู่ที่ปริยัติธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหยุดอยู่แค่นี้แต่เป็นปราการด่านสุดท้ายเวลาจะสอนกรรมฐานเนี่ยท่านต้องอาศัยปริยัติท่านจึงจะสอนได้แม้แต่บอกกรรมฐานสอบอารมณ์กรรมฐานท่านอธิบายว่า อย่างพระสิทธะไปเรียนสมาบัติรูปประชานรอรูปประชานจากอาลาละดาบุตรทกกดาบทถามว่าเวลาเรียนเนี่ยดาบททั้งสองต้องสอนใช่ไหมการสอนนั้นคือปริยัติไปนั่งกรรมฐานเป็นปฏิบัติถ้าดาบททั้งสองพูดไม่ได้ แล้วจะปฏิบัติอย่างไรท่านเจีงบอกว่าทาเวปปูเรติปาริยัตน่ะแหละทาให้ปฏิบัติเป็นไปได้ปฏิเวิตามมาปาริยัตที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องที่เราทํโรงรักษาไว้นั่นแหละเป็นกระดูกสันหลังของพระพุทธศาสนาและอย่ามาว่ากัน เออถ้าเราไม่เรียนพระใจปิดกไม่ศึกษาคำพีพระศาสนานั่นแหละเราทิ้งปริยัติและกำลังนำไปสู่อันตรธานปริยัตอันตรฐานเมื่อเกิดปัญหาต่อพระพุทธศาสนาในดินแดนที่เป็นัประเทศสังคมนิยม ในประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยห้ามม้กระทั่งนำเอาตำราพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศเขาเราจะไปทอดกระถินทอดประปาเอาของไปได้แต่ยาเอาหนังสือธรรมะเข้าไปถามประมุขสงฆ์ของประเทศที่เพิ่งเป็นสังคมนิยมเมื่อ20 30ปีก่อนเขาบอก เทพสอนเรื่องพุทธศาสนาได้ไหมในยุค ป, ปฏิวัติวัฒนธรรมที่มันกระจายไปแม้กระทั่งในแถวอินโดจีนเขาบอกว่าเทศได้แต่อย่าพูดเรื่องนรกเรื่องสวัสดิ์เรื่องชาติหนา้าแล้วตั้งน้โมได้ไหมได้แต่ต้องพูดเพิ่มว่า ข อ, ขอความสวัสดีจงมีแด่สหายมาร์ก ค, คาร์มาร์กส์อันนี้ประมุขสงฆ์ท่านเล่านะเราก็ฟังแล้วแปล ก, ปล ก, ปลกเมื่อสักง 20-30 ปีก่อนผลก็คือการทำให้ปริยัตแคลกแกร่น มาในปัจจุบันประเทศสังคมนิยมเปลี่ยนท่าทีหมดตั้งแต่จีนแผ่นดินใหญ่ไม่สามารถปิดกั้นศาสนาได้เพราะถ้าปิดกั้นศาสนาที่เป็นทางการมันก็จะเกิดศาสนาใต้ดินละที่แปลกๆจีนจึงเปิดรับ การฟื้นฟูพุทธศาสนาอย่างขนาดใหญ่จัดประชุมนานาชาติในจีนเรียกว่า World b u d บุ i s t Forum กระแสะของการจัดวิสาขานานาชาติทำให้ประเทศสังคมนิยมมาเห็นพุทธศาสนาในประเทศไทยและนานาชาติส่งเสริมการศึกษาการฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศเหล่านั้น แต่ปริยัติธรรมการศึกษาปริยัธรรมอ่อนด้อยจึงส่งเสริมให้มาเรียนปริยัตในประเทศไทยรัฐบาลเนะี่ยมหาจุฬาจึงตั้งรับตอนนี้เป็นโอกาสสมัยก่อนนี่เป็นส่วนบุคคลหนีมาเรียน แต่สมัยนี้สามารถทํา MOU ความร่วมมือกับภาครัฐในประเทศสังคมนิยมซึ่งบาลีศึกษาพุทธโคตก็ต้องตั้งรับตรงนี้ที่กล่าวอย่างนี้เพราะเห็นความสำคัญของ การศึกษาพระปริติธรรมสมัยหนึ่งเจ้าระคุณสมเด็จวสเกตสมเด็จพุทธาจารย์ตอนที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านปาร่มหวา ศักดิ์ศรีของคณะสงฆ์ไทยของพุทธศาสนาในประเทศไทยอยู่ที่การศึกษาปริยติธรรมนี่แหละแม้เราจะเรียนศาสตร์ทั้งหลายมากมายแต่หากลืมปริยติธรรมแล้วมันก็จะเหมือนประเทศเพื่อนบ้านในสมัยนั้น ออเในเชิงพระศาสนาเพราะรัฐบาลต้องการให้อาตอ่เ ก, ก็ส่งเสริมแต่เรียนทั้งโลกเดี๋ยวนี้พอมาตื่นตัวที่จะต้องเรียนธรรมะก็มาพบความแข็งแกร่งอยู่ที่ประเทศไทยบวกกับประเทศไทยนั้นมีมหาวิทยาลัยสอง ซึ่งสามารถสื่อสารและสอนเป็นภาษาต่างประเทศได้ก็มาเรียนกันมากมายอย่างที่ท่านเห็นอยู่แต่อย่าหลงลืมว่าจุดที่เป็นสเสน่ห์ดึงดูดนั้นคืออะไรมันคือบาลีคือป ร, ริยติธรรมนี่แหละคือการศึกษาพระไตรปิฎกนี่แหละ องค์การยูเนสโกได้ทำวิจัยทั่วโลกว่าการศึกษาที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21ที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาทำก่อนคสสองพันควรจะมีเรื่องอะไรบ้างงานวิจัยนั้นได้สรุป ว่าการศึกษาที่พึงประสงค์จะต้องมีสี่เรื่องเรียกว่า four pillars of education จดตุ่สดมของการศึกษาไม่ว่าท่านจัดการศึกษาในวัดนอกวัดในมหาวิทยาลัยหรือระดับไหนก็ตามต้องตอบโจทย์สี่ข้อให้ได้พุทธโครก็ไม่เว้น เขาใช้ภาษาอังกฤษว่าหนึ่ง learning to know เรียนเพื่อรู้หาความรู้ 2. learning to do เรียนเพื่อไปปฏิบัติไปใช้ 3. learning to live together เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และส learning to be เรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความสุขตามสมควรแก่อัตาภาพมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในเรื่อง learning to know เนี่ยเรียนเพื่อรู้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแต่เนื้อหาวิชา เขาพูดถึงกระบวนการเรียนการสอนวิธีเรียนส่วนมากเวลาที่เราพูดถึงวิธีเรียนเมธอด ولوج ีหรือเม h อดเนี่ยเรามักจะนึกถึงใช้สื่ออุปกรณ์เครื่องหม้เครื่องมือหรือที่เราพูดถึงกันเนี่ย แต่ทางยูเนสโกให้ข้อสังเกตว่าเครื่องมือในการเรียนมันไม่ได้แค่ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ห้องแล็บมันยังมีเครื่องมือภายในตัวเราอีกที่จะต้องพัฒนาเด็กถึงจะเรียนเก่งเครื่องมือที่หนึ่งคือภาษาอยู่ที่เรา เราจะต้องฝึกฝนเด็กให้รู้ภาษาผู้เรียนใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ที่ท่านเรียกว่าภาษาคืออาญตนะเราไปต่างประเทศมีหูแต่ไม่รู้ภาษามันก็หูหนวกอาญาตนะมันจำกัดนะฟังไม่เรื่องเขาพูดอะไร ผ่านดานก็ไม่ผ่านแล้วแค่นั้นจะจะไปสอนกรรมาฐานแต่ว่าอายตนะจำกัดดูก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเขาให้ไปไหนตกเครื่องบินเหมือนคนตาบอดภาษามันคืออายตนะ เราอยากจะเรารู้ว่าในพระไตรปิฎกอัจฉริยาเนี่ยมันมีคำสอนของพระเจ้ามากมายมหาศาลเปิดไปแล้วนี่ไม่รู้เรื่องเหมือนคนตาบอดจะเอาพระสัตรธรรมคำ ส, สอนมาใช้มาปฏิบัติมาสอนได้อย่างไรภาษาบาลีจึงเป็นสื่อเป็นอายจินะที่สำคัญในการเข้าถึง พระสัทธรรมเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ในการสอนด้วยเท่านั้นยังไม่พอนอกจากภาษาแล้วเด็กเรียนเก่งเนี่ยสรุปก่อนกแล้วกันเรื่องภาษาจึงเป็นเรื่องสำคัญในสถาบันการศึกษา เวลาที่เราประเมินผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาเนี่ยในมหาวิทยาลัยที่นำหน้าเนี่ยส่วนมากเด็กจะเก่งภาษาจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาบาลีภาษาอะไรก็ได้ขอให้เก่งมหาจุฬาเนี่ยถ้าเรียนเก่งภาษาไม่ว่าภาษาอะไรจีนก็ได้ บาลีก็ได้สันสกฤตก็ได้อังกฤษก็ได้มาตรฐานจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยท่านมาเรียนคณะพุทธศาสนาเนี่ยแต่ไม่รู้ภาษาบาลีเนี่ยองค์ความรู้มันยังไม่เต็มที่ภาษาเป็นอุปสรรคในมหาวิทยาลัยข้างนอก เด็กในมหาวิทยาลัยขาไทยเนี่ยที่เขาคุยว่าคุณภาพดีเนี่ยเขาเน้นภาษาสะวันตกอื่นๆแต่พระเราก็ต้องเน้นบาลีด้วยโดยเฉพาะในมหาจุฬาดีใจที่ทางพุทธโคดเนี่ยส่งเสริมความสนใจในการสอบแพทย์ภาษาบาลีของเด็กด้วย ให้คนมาศึกษ า, าเรียนกันมากขึ้นถ้าเราช่วยให้นิสิตนักศึกษาไทยเก่งภาษาถ้าจะเรียนศาสตร์สมัยใหม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเมื่อสานการผลสำเร็์การศึกษาของเด็กไทยจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะองความรู้ต่างๆในโลกนี้มันอยู่ในภาษาอังกฤษ เวลาเขียนหนังสือเขียนตำราขายในโลกเนี่ยท่านเขียนเป็นภาษาไทยจะขายได้แต่ในประเทศไทยแต่ถ้าท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษขายได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆมันจึงมีองค์ความรู้ในภาษานี้มากมายมหาศาลนอกจากนี้ ในส่วนของพระพุทธศาสนาองค์ความรู้มากมายมหาสาลคำเพียง่างอยู่ในรูปของภาษาบาลีเป็นขุมทรัพย์เราไม่มีเครื่องมือในการขุดเอาขุมทรัพย์นี้ที่บอกว่าส p i ริชวล l ทรเชอรี่เนี่ยภาษานี่คือเรื่องที่หนึ่งขอเล่านิดหนึ่ง พูดวัฒนธรรมของประเทศลาวมาพบอธิการบดีมหาจุฬาอยากจะส่งพระในประเทศเขาเนี่มาเรียนมหาจุฬาเยอะๆนี่พูดในเชิงรัฐบาลเนีก็ถามเขาว่าเพราะอะไรเขาบอกว่านี่คำพูดของผู้วัฒนธรรมผู้เรียนจบจากมหาจุฬากลับไปในประเทศลาวทำงานได้ดีกว่า ผู้ไปเรียนจบมาจากยุโรปหรือแม้กระทั่งในรัสเซียเลื่อนตำแหน่งเร็วด้วยงานออกมาดีด้วยเราก็ดีใจโอ้กสอนดีเลยนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือผู้เรียนรู้เรื่องมาเรียนภาษาไทยมันมันง่ายทนได้วิชาแข็งเลยเนะแต่ถ้าไปเรียนรัสเซียต้องไปเรียนภาษารัสเซียเองเนะ กว่าจะรู้เรื่ององ ค, ความรู้เหมือนไม่เน่นเห็นประเด็นยางท่านไปเรียนยุโรปอเมริกาถ้าท่านเก่งภาษาอังกฤษก็ได้ความรู้มาเต็มเป็นจุดดวยแต่ถ้ามันไม่เก่งเรียนพันประเทศไทยนีย่แหละยกเว้นแต่ท่านพัฒนาภาษาของท่าน และในในการศึกษาพุทธศาสนาขาดภาษาบาลีไม่ได้บาลีประยัด ต, ต, ต้องก้าวหน้าเก้าหน้าอย่างไรใครว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเครื่องมือในการเรียนที่ยูเนสโกพูดถึงนอกจากภาษาแล้วคือวิธีคิดถ้าคนที่เรียนมาด้วยเจตคติทัศนคติว่าจะมา อะไรท่องจำที่อาจารย์สอนอย่างเดียวไม่ขยันอ่านไม่ขยันคิดให้ไปค้นกว่าไปคน้นให้ไปหาเพิ่มเติมทำวิจัยก่อไปสนเนี่ยเพราะทัศนคติที่เป็นอย่างนี้ที่จำกัดเนี่ยคิดไม่เป็นกระบวนการการคิดจึงสำคัญและชะเรียนภาษา ความจำก็จะต้องดีจำศัพท์จำแสงจำวัยกรณ์ได้ถึงจะได้ไประโยคเก้าสมาธิสำคัญเด็กฝึกเด็กให้มีสมาธิเขาจะเรียนภาษาเก่งเรียนวิชาการก็เก่งเพราะมันจำเล่นฉะนั้นการรับเครื่องมือภายในจิตใจเนี่ยมันคืออาศัยกรรมฐาน วิปัสนากรรมฐานหรือกรรมฐานหรือวิปัสนาภาวนานั่ยแหละคือกระบวนการในการรับมีดทางปัญญาให้คมลองสิฝึกกรรมฐานมีฝึกกรรมฐานให้สมรรถนะในการจําในการคิดดีขึ้นได้ภาษาอย่างดีนี่ใครจะประเมินได้ว่าผู้เรียนคนนั้น จะมีสมรรถนะขนาดไหนเอาสองอย่างมารวมกันภาษาดีแต่ว่าไม่มีสมาธิเขาเรียกว่าไม่สู้กับงานยากๆงานวิจัยงานอะไรต่างเนี่ยไม่มีความใฝ่รู้มันก็งั้นนั่นแหละแต่ถ้ามีฉันทะสมาธิวิริยะสมาธิมุ่ง ม, มั่น ใฝรู้ขุดลึกด้วยเครื่องมือคือภาษามีทัศนะทางความคิดมีคุณธรรมอะไรก็กั้นไม่ได้ศักยภาพในการจัด ก, การสึกษามากในการที่จะไปทำวิจัยทำไรมากมายมหาศาลฉะนั้นที่เรากาหนดว่าบาลีปริยัตินี่ก็คือเป็นเครื่องมืออย่างหนี้น เป็นอายตนะในการหาความรู้และฝึกเจริญจิตภาวนาเพิ่มพลังปัญญาเพียงแต่ว่าเราจะเอาไปเราจะกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกันประสานกันอย่าไปแยกกัน ายหนึ่งเรียนปริยัติก็ไม่สนใจปฏิบัติเรียนภาษาบาลีก็ไม่สนใจกรรมฐานเรียนกรรมฐานก็ไม่สนใจปริยัติเราจึงหาพระอย่างพระธรรมธีรราชมหามุนีหรือพ่อโชโดกเนี่ยได้ยากแค่รูปเดียวนี่มีอ m ม a c t มีผลกระทบต่อวิปัสสนาธุระในประเทศไทยขนาดไหนเราอยากจะได้อย่างนี้มาก และพุทธศาสนาจะมั่นคงเพียงใดเมื่อเวลาที่เราแยกกันเนี่ย <c oughs> คือมักจะเอาเรื่องปริยัติปฏิบัติไปคนละส่วนเนี่ยทำให้นึกถึง เ, เรื่องของทุระในพระศาสนา จะด้วยอะไรก็ตามเรามักจะแยกธุระในศ า, าสนาเป็นคันธะธุระวิปัสนาธุระ ก, รกนี่แยกส่วนถ้าเราสามารถบูรณาการทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันให้อยู่ในตัวผู้เรียนด้วยกั น, นจนจะมีผลกระทบ และมีผลสู่ความมั่นคงของพระศาสนาอย่างยิ่งส่วนมากทัศนะของผู้เรียนก็คือถ้าจะเรียนเอาปริญญาไม่สนใจปฏิบัติส่งไปปฏิบัตินี่เหมือนกับบังคับ จะตายบรณภาพได้เพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอบไม่เกี่ยวกับการทำงานแต่ถ้าเราคิดมุมใหม่อยากได้ปริญญาอยากเรียนสูงๆฝึกกรรมาฐานแล้วจะเรียนเก่งขึ้น ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างนี้สิวิปัสนาภาวนาเนี่ยที่จะไปทั่วโลกเนี่ยเฟื่งให้เห็นความต่างระหว่างเด็กที่เรียนปฏิบัติกรรมฐานกับไม่ปฏิบัติเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอ่ะพูดภาษาอย่างนั้นอ่ะทำวิจัยออกมาไม่ใช่นั่งกรรมฐานไปซึมไป สอบตกอีกต่างหักเรียนไม่จบวิปัสนาภาวนาต้องเสริมในเรื่องของปริญญาข้อวิปัสนาธุระต้องเสริมคันถะธุระมีงานวิจัยในแนวนี้ ในต่างประเทศในอเมริกาทั้งสเตตเลยโรงเรียนเนี่ยให้เด็กฝึกกรรมฐานแต่เขาไม่เรียกของเราเขาเรียก mindfulness ฝึกสติและไม่ได้ใช้เฉพาะศาสนามาเรียกฝึกโยคะด้วยแต่เน้นสติทำกันทั้งรัฐศึกษาที่การของรัฐประกาศ เด็กเรียนเก่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นขัดแย้งกันน้อยลงแต่เขาไม่ได้พูดถึงว่าเป็นพุทธศาสนาอะไรนะเขาให้ฝึกสติเดี๋ยวนี้ในอเมริกาทำอย่างนี้และพอทำสำเร็จเชื่อเถอะนักการศึกษาเมืองไทยก็ไปก๊อบเขาเหมย่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีของดีอยู่บ้านเรานี่เป็นกระบุง แต่ขอโทษมันไปอยู่ในสำนักกรรมฐานมันไม่เข้าโรงเรียนไม่เข้าในมหาวิทยาลัยเราจะก้าวหน้าไปสู่สาโคตนี่เอาเข้ามาสู่ระบบการเรียนการสอนการเพิ่มสมรรถนะตรงนี้ให้ได้ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขามีอยู่ เขาเปิดให้เราไปสอนการบริหารจิตและเจริญปัญญานะท่านในหลักสูตรปฐมวิทยกแต่ครูมองว่าเสียเวลาเพราะมันไม่ได้ทำให้เด็กพัฒนาขึ้นมันเหมือนไปนั่งหลับตาเสียเวลานี่คือความท้าทายพวกเราพระ ลังกาที่ไปอยู่ในต่างในอเมริกาได้เขียนหนังสือออกมากรรมฐานสำหรับเด็ก Meditation for children ฝึกเจริญพัฒนาจิตของเด็กอย่างไรตอนนี้สังคมไทยต้องการมากดีกว่าให้มันไปเล่นเกมกด ความท้าทายของวิปัสนาธุระในประเทศไทยก็มีอยู่ตรงนี้เอาเรื่องวิปัสนาไปสัมพันธ์กับคันถาธุระเอากรรมฐานไปช่วยการเรียนการสอนของเด็กในโรงเรียนให้ได้และควบคุมพฤติกรรมฝ่ายคันธาธุระก็ไม่สนใจวิปัสนาธุระวัดไม่ได้ประเมินไม่ได้มีการพูดอยู่ ระยะหนึ่งจนกระทั่งมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยให้เป็นบักับมหาจุฬาถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเรามีสถาบันวิปัสนาธุระการจัดการศึกษา ข, ของบรณพิทธโคตรก็ทำในแนวนี้บางท่านมอง การเรียนการสอนเป็นการแยกส่วนไม่เกี่ยวกับกรรมฐานนะกรรมฐานก็ไม่เกี่ยวกับการเรียนนะไม่เกี่ยวกับปริญญานะไม่เกี่ยวกับการงานเพื่อสังคมจนกระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันแคบลงเราเริ่มเห็นไม่ใช่ได้เห็นมาพอสมควรแล้ว กรรมฐานไม่แยกจากชีวิตจริงวิปัสสนาเนี่ยไม่แยกจากนอกจากจะไม่แยกจากการเรียนการสอนคันฐานทุระแล้วในประเทศไทยเราพูดถึงกรรมฐานในการดำรงชีวิตในการทำงานด้วยประโยคที่ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมจะรู้หรือไม่รู้เวลาเราพูดประโยคนี้ เรากำลังบอกว่าในขณะทำงานก็ไม่ทิ้งกรรมฐานไม่ทิ้งวิปัสสนาประเทศที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาประเทศเ่งโดยใช้กรรมฐานคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้ใช้กรรมฐานที่เขาเรียกว่าเซนเซนนั้นเป็นการออกเสียงคำว่าฌานสมาบัติเนี่ยฌานนี่เพ่งเนี่ย คนญี่ปุ่นเรียกว่าเซนคือฌานคือสมาธิเอาสมาธิเอากรรมาฐานไปใช้ในทุกกิจกรรมของชีวิตจัดดอกไม้แบบเซนตีกลองแบบเซนปั่นจักรยานแบบเซนมันไปทุกเรื่องขอให้คุณมีสมาธิอยู่ในกิจกรรมนั้นอิทธิพลของเซนไปทั่วโลก แม้กระทั่งในประเทศไทยอาจารย์สอนกรรมฐานของเซนในเวียดนามเมื่อเกิดสงครามเวียดนามระเบิดลงในหมู่บ้านบาดเจ็บล้มตายกันคนในหมู่บ้านสั้นนักกรรมฐานซึ่งอยู่ในถ้ำในภูเขาไม่กระทบ แต่แต่โยคีผู้ปฏิบัติเริ่มตั้งคำถามเราจะนั่งกรรมฐ า, านอยู่ในถ้ำในป่าในเขาได้อย่างไรในเมื่อระเบิดลงใส่ญาติพี่น้องหลับไปช่วยเขาก่อนได้ไหมบางคนบอกไม่ได้เดี๋ยวกรรมฐ า, านเสื่อมจิตฟุ้งซ่าน บางคนบอกทิ้งกันมาถานไว้นี่แหละยาติจะตายหมดแล้วไปช่วยคนเจ็บคนไข้ช่วยกันภักษาพยาบาลเถียงกันวิปัสนาจารย์ที่คุมการปฏิบัติได้ความคิดแนะนำว่าทำไมไม่ออกไปช่วยชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อน และในขณะที่ช่วยเขาก็ภาวนาไปด้วยปฏิบัติกรรมฐานไปด้วยอย่าทิ้งการปฏิบัติเหมือนพระไปบิณฑบาต ท, ท่านไม่ทิ้งกรรมฐานมีโคจรสัพพัญญะไปตลอดก็เลยเกิดความคิด วิธีปฏิบัติแนวใหม่ในขณะไปช่วยสังคมเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมโดยไม่ทิ้งสังคมเราเรียก movement นี้ว่าพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมเรียกว่า engage Buddhism ซึ่งในประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลแบบนี้ เราจึงเรียกว่าการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ค่อยได้เอามาใช้กันอย่างที่ e n g a g ช b u บุ h i s m เขาทำในต่างประเทศแต่เราได้รับเขาเรียกว่าหางของพยายุของมรสุมมหาจุลาเนี่ยตระหนักตรงนี้ จึงได้กําหนดให้มีให้นิสิตเรียนจบสี่ปีเนี่ยไปปฏิบัติศาธารกิจหนึ่งปีเนี่ยเมื่อเรียนวิชาการสี่ปีคันธทุรกนะันท่านต้องไปช่วยสังคมเรียนกรรมฐานไปด้วยเอากรรมฐานที่ท่านเรียนเนี่ยแหละปฏิบัติดีแหละไปช่วยสังคมเอาวิชาการไปช่วยสังคม จึงเกิดกระบวนการใหม่ที่เรียกว่าเอนเกจวุริซึมเนี่ยผสมคันธุระวิปัสนาธุระกับการช่วยเหลือสังคมเราเรียกว่าสังฆาธุระกก็แล้วกันเพราะพาระพุทธเจ้ากลัสว่าขลือหัดและบรรพชิตอุโพอัญโยนยนิสิตาทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยซึ่งกันและกัน ทรหัดเป็นที่พึ่งของบรรพชิตด้วยมิสถานบรรพชิตสงเคราะห์ทรหัดด้วยธรรมทานบรรพชิตจะให้ธรรมทานแก่ทฤหัดได้อย่างไรถ้าไม่เรียนคันถธุระและจะอะไรไปช่วยเมื่อเขามีความทุกข์ถ้าไม่เรียนวิปัสนาธุระ เมื่อเพียบพร้อมด้วยคันธาธุรกวิปัสนาธุรกต้องออกไปช่วยสังคมเราเรียกการช่วยเหลืออย่างมีวิชาการอย่างมีพื้นฐานการพัฒนาจิตใจว่าสังขาธุระคือสังวัตถุนั่นแหละแต่ไม่ได้สงเคราะห์ด้วยสิ่งของแบบกรมประชาสงเคราะห์เราสงเคราะห์ไม่ได้สงเคราะห์ด้วยอาวิสธรรเราสงเคราะห์ด้วยธรรมฐาน เพราะฉะนั้นบทบาทสําคัญของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาเนี่ยคือตรงนี้ที่เราเรียกว่าปฏิบัติศาสตร์เกิจหนึ่งปีเรียนปัญญาตรีสี่ปีวิปศาสตร์เศรษฐกิจอีกหนึ่งปีแต่ถ้าไปเพราะไม่รู้ไม่ได้เอาสันธารทุระไปช่วยไม่ได้เอาวิปัสนาทุระไปช่วยมันจะไม่มีผลกระทบต่อสังคมแต่อย่างใดแนวทางเนี่ยมันมีอยู่ และเราใช้เวลาหนึ่งปีของผู้จบซึ่งรวมกันแล้วแต่ละรุ่มเป็นเวลามากมายมหาศาลแต่ถ้าไม่เข้าใจในกระบวนการที่ว่าคัน ธ, ธุ ร, รัฐผสมวิปสัสนาธุรัเพื่อสงเคราะห์สังคมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลกระทบเท่าไหร่ทั้งกับตัวผู้ผู้ดำาทํางานและสังคม ด้วยตระหนักตรงนี้มหาจุฬ า, าเจงกำหนดปรัชญาไว้สามประโยคจัดการศึกษาพูทสนาคันธาธุระบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เป็นคันธาธุระพัฒนาจิตใจและสังคมคือวิปัสสนาธุระเพื่อสังคมเป็นสังหาธุระ ทั้งอ t e l l e c t u a l Buddhism ทันทันธุระพุทธศาสนาแบบวิชาการทั้งเอ t e ทริ b บ d d h i s m พุทธศาสนาแบบวิปัสนาอวนาและเอนเก b บ d d h i s m มันจะต้องอยู่ร่วมกันประสานด้วยกันและถ้าท่านคิดในเชิงบุรณาการอย่างนี้บาลีปริยัติ9หนะ้าพระพุทธศาสนามั่นคงเสริมส่งวิปัสนาส่สาขณมันเป็นไปได้ เพราะเราไม่ได้คิดแยกส่วนเราคิดแบบปูงรวมและไม่ได้คิดเฉยๆทำอยู่แล้วเรามีประสบการณ์ที่ทำและกำลังให้เพื่อนบ้านต่างประเทศมาเรียนรู้จากเรานั่นก็คือการส่งสิ่งที่เราเรียนรู้หมว่าจะเป็นคันฐานุระากรศาสนาธุระ ไปสู่สากลไปสู่สากลที่ว่านี้ทำอย่างไรจะขอพูดเป็นประเด็นสุดท้ายในโดยเฉพาะในเรื่องวิปัสนาสู่สากลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประโยคที่สองก็คือบ ร, รณาการกษัตร์สมัยใหม่ เรื่องของการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันเป็นการเชื่อมสู่สากล น, นั่นเองถ้าเราไม่สามารถอธิบายได้ให้โลกได้รับรู้นะตามปรัชญายของมหาจุฬา น, นี่นะบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยก็จะทำให้การสู่สากลของเราเนี่ยอาจจะกระท้นกระเทน เป็นอย่างไรคืออย่างนี้ว่ะถ้าเราไม่สามารถจะอธิบายหรือสอนกรรมฐานด้วยภาษาสากล น, นอกจากภาษาของเราเราไม่สามารถอธิบายองค์ความรู้ของเราเนี่ยที่เรามีด้วยภาษาที่สื่อได้มันก็จะสู่สากลไม่ได้ คำถามสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธศาสนาไทยไปสู่สากลด้วยภาษาอะไรเมื่อมีโอกาสไปที่ศรีลังกาเนี่ยพบมหานายกะแห่งบาลวตตะเป็นสังคายกนิกายใหญ่ที่สุดท่าน เอาของมีค่ายอย่างหนึ่งมาแสดงให้ดูอย่างที่ท่านเห็นในภาพคือพระราชสารจากกรุงศรีอยุธยาส่งไปถึงกษัตริย์ศรีลังกาเมื่อ260ปีมาแล้วส่งไปพร้อมกับพระสมณทูตคือพระอุบาลีพระอริยมุนีที่ไปฟื้นสมณ วงที่สีลังกาเพราะว่าสีลังกาถูกเบี่ยนเบียนโดยกษัตริย์ตะวันตกจนวงอุปสมบทามเป็นขาศูนย์มีสมณีนโค้งคือสารังกรอายุห้าสิบแล้วยังไม่ได้บวชพระกษัตริย์เทศเก่งมากกษัตริย์ถามว่าทำไมไม่บวชบอกหาพระนั่งอันดับไม่ได้อุปชาก็ไม่ได้ทั้งเกาะลังกาเนี่ยศึกกันหมดแล้วจะไป เอาอุปชาที่ไหนล่ะพระอันดับที่ไหนทางธรมเดนจสรานงกรก็บอกว่าที่กรุงศรีอยุธยาที่สยามเพราะอะไรเพราะว่าลังกาได้เคยส่งสมณทูตจากลังกามาเอาไว้ที่สุขโขทยัยกระบวนการในการบวดวิธีอุปสมบทวิธีเนะี่ยแบบลังกาวงเนี่ย ยังอ ย, งอยู่ที่กร sí. ุงศรีวิุยาเพราะฉะนั actic, ้นท่านนิมนต์อุปราชจังสือสยามก็คือเอาของลังกาเนี่ยกลับวนไปประเทศเขาซึ่งก็จริงเลยเดี๋ยวนี้พิธีบวชเนี่ยในศรีลังกาก็ใช้อุกาสะเหมือนเราแบบมหานิกายเขาบอกนั่นนหะของเขาแต่มาฝากไว้ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยนักศรีธรรมราชสุขโขทัยโดนผ่านไป700ปีวนกลับไปหาเขาอีก5อ0้ปีที่สมัยนั้นอ่า550ปีแหปีละสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ260ปีมาแล้วเราได้คืนอุปสมบทวิธีไปที่ศรีรังกาจึงเกิดนิกายใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเรียกว่าสยามนิกายองค์นี้เป็นถือกุญแจพระธาตุเขียวแก้ว องคที่เห็นในภาพเนี่ยปัจจุบันเป็นมหานายกะของสยามนิกายที่ใหญ่ที่สุดนิกายมารวัตตะไปเยี่ยมท่านท่านบอกเอาอะไรให้ดูนี่คือพระกล่องพระราชสารที่กษัตริย์อยุธยาทรงผ่านพระอุบาลีไปให้กษัตริย์หลังกาเป็นกล่องพระราชสาร เป็นเงินนะท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่วงมากเอาทหารมาอารักขาแล้วอย่าบอกใครรู้นะกลัวโจรเอามาขโมยท่านก็จะไปบอกไปนะเพราะผมมาเล่า <c oughs> แล้วท่านให้ดูอะกล่องพระราชสารก็ดีตัวพระราชสารกันอะเมื่อสองร้อยห้าสิปีสองร้อยหกสิปีเนี่ยกษัตริย์ไทยกับกษัตริย์ศรีลังกา สื่อสารกันด้วยภาษาอะไรถ้าวันนี้พระราชสารจากไทยใบละกาเนี่ยภาษาอังกฤษแน่นอนเมื่อส5 0ห้าสิปีภาษาอะไรถ้าก็เอามาให้ผมได้เพ่งดูเนี่ยมันเป็นบรจารึหรือเป็นในงเงินเนี่ยนะเขียนภาษาเป็นอักษรของภาษาบาลีคนไทยสมัยนี้กันไม่ออกอีกอักษรของ แต่เคยเรียกอาจารย์สุริเนอาสษรของก็พอรู้เขียนยักได้ <c oughs> จากึในพระราชสารที่ส่งไปเนี่ยอยู่ตรงไหนหรู้นี่คือกล่องนะต้องเปิดฝาอีกมันทำให้นึกถึงมหาเวสสานชาดกอะ่ะที่ชูชกชูกล่องคล้ายๆกัะพริกเดี่ยมันก็คล้ายๆอย่างนี้แหละ โอ้กลองพระราชสารนะแล้วเปิดกล่องเนี่ยออกมาจะเห็นพระราชสาร น, นี่คือนี่คือส่รของนี่นไอ้ที่อยู่ข้างในนี่นะยังไม่ใช่พระราชสารเป็นกล่องอย่างนี้อีกกล่องนึ่งสีแดงท่านรู้ไหมคืออะไรนาช้างนาช้างสองร้อยห้าสิบปีมันเป็นสีแดงนะนี่ของแท้ครับ แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยดึงออกมาเป็นผ้าไหมผ้าไหมสีขาวใช้ดินสอดำนี่เขียนเป็นพระราชสาร <c oughs> เนื้อความในพระราชสารเป็นอย่างไรเนี่ยสมเด็จกรมพยานดรงราจานุภาพาท่านได้ตอดเอามาเล่วภาษาบาลีเลยนะหาอ่านได้สิ่งที่สะดุดใจก็คือสมัยก่อนสื่อสารกันด้วยภาษาบาลีทั้งนั้น พระไทยไปพ ม, มา่าไปลังกาอะไรต่างๆอาวุโสพันเตกันทั้งนั้นถ้าเราจะแต่งตำราในสมัยโน้ให้คน ท, ทั่วโลกในเขตนีอ่านไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพราะอังกฤษยังไม่มาต้องภาษาบาลีฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ขุมคลังทางปัญญาทางพุทธศาสนาทุกวันนี้มันคือภาษาบาลีเนี่ย เป็นตำลับตาราที่เราให้เราทำวิจัยศึกษาค้นคว้าอีกมากมายเพียงแต่เราต้องเรียนภาษาบาลีให้เชี่ยวชาญและสามารถที่จะแต่งและสื่อสารให้ในดแดนแดนแถวนี้ได้อ่านกันถ้าเราไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเราก็แต่งเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวนี้ทางบทเทศนาของมหาศรีสยาดลเนี่ยเราก็อ่านกันเป็นภาษาบาลี ของพมา่าเนี่ยยังแต่งตำราเป็นภาษาบาลีอยู่เลยเวลาจัดประชุมนานาชาติมหาจุฬาจัดขึ้นมานอกจากเซสชั่นภาษาอังกฤ ษ, กฤษแล้วเรามีเซสชั่นภาษาบาลีด้วยให้สัมมนากันปรากฏว่าพระไทยนี่เขียนไปอ่านได้แต่เวลาเขาถามเดี๋ยวคิดก่อนนะกลัวผิดวิยากรฝรั่งมานะพูดภาษาบาลีจ้อยๆเกินหน้าพระไทยพระไทยนินทา กินปอไปหลายประโยชน์แล้วไปควรไปพูดจับผิดเขาอยู่ได้แหละผิดลิงมางผิด้นมากให้มันพูดได้เถอะพระคุณเจ้าเราไม่ได้ฝึกพูดซึ่งมันผิดหลักการเรียนภาษาแล้วเกิดมาเรียนภาษาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยถามว่าทาอะไรก่อนพูดก่อนพูดแล้ว มันจึงอ่านจึงเขียนอยู่ๆเราเขียนอ่านภาษาบาลีโดยไม่พูดจริงๆเขาให้พูดอยู่ตอนไหนทำวัดเช้าทำวัดเย็นแต่ไม่ค่อยลงบรสมัยเรียนบาลีเนี่ยทำวัดสวดมนต์เนี่ยได้ประโยคแบบประโยคอะไรจังไปแต่งเนี่ยเยอะเลยจากตอนทำวัดนี่แหละถ้าเรียนโดยก้าวหน้านะท่านนะ เรียนให้มันธรรมชาติเนี่ยท่านต้องใช้อ่านทุกวันก็ได้ฟังทุกวันก็ได้พูดทุกวันก็ได้อย่างภาษาอังกฤษเนี่ยต่อให้ไปเรียนเก่งแค่ไหนเราไม่ได้พูดไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมภาษาบาลีก็เหมือนกันจงประโยชน์กล้ามาถ้าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่านนี่ดีว่าเรายังอ่านเข้าไจไปิฎกอ่านเทศค้นคว้ากันแต่ถ้าเกิดเราสอนสอนเนียน้อยด้วยให้เขาใช้พูดใช้เรื่องต่างเนี่ยมันจะเกิดโครงสร้างไวยากรณ์ในสมอง เขาเรียก deep structure เราพูดภาษานี่มันต้องมีไวยากรณ์นะเด็กอายุเกินเจ็ดแดขวบนี่ถ้าไม่ได้พูดภาษามนุษย์นี่พูดไม่ได้เพราะไม่มีไวยากรณ์มันจะพูดเป็นนกแก้วนกคุณทองเราเรียนภาษาไทยไวยากรณ์ไทยแบบคําโดดไม่ได้เรียนภาษามีวิพัฒน์ปัจจัยเพราะฉะนั้นมันจึงเรียนภาษาบาลียากภาษาอังกฤษก็เรียนยาก แต่ให้เรียนภาษาจีนเนี่ยคนจีนเรียนภาษาไทยคนไทยเรียนภาษาจีนมันง่ายเพราะว่ามันโครงสร้างไวยากรณ์เดียวกันทําไมเด็กอายุน้อยๆเนี่ยเรียนภาษาบาลีมันคล่องแคล่วกว่าเพราะว่าโครงสร้างไวยากรณ์มันเข้าซึมกว่าอย่าไปนึกว่าอัจฉริยะอะไรเลยแต่มันเอื้อเพราะว่าโครงสร้างทางไวยากรณ์เนี่ยมันเข้าเร็วเด็กๆมันเรียนภาษาได้ไม่รู้กี่ภาษามันอยู่ที่ไวยากรณ์ ดิสซักเจอร์โครงสร้างหลักถ้าเราสร้างบรรยากาศให้เรียนโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอะไรอย่างนี้เนี่ยจากด้วยอด้วยพูดด้วยอะไรก็ตามซึ่งในพมา่าเนี่ยเราไปดูที่มหาคันทายยงเนี่ยเขาให้เรียนคู Con ่ภาษาไวยากรณ์คอนเวอร์เซชันการสนทนา ทำภาษากัญชาด้วยเรียกกันหลายพันรูปนะหาษารทยยงเนี่ยไปไปดูไปส่องดูเนี่ยกันเรนเขาไปได้มีเก้าอีนะ้นั่งอีกแล้วเลยนะชอบกับท็อกนี่แหละฝุ่นกรุ้งเลยนะแล้วเรนทําอะไรกันเนะ่ยไปส่องดูเรียนสนทนาภาษาเบรีเพื่อให้ไวจกรเข้าเรียนอุทยภาพักแล้วนะ่ย ซึ่งประเทศไทยเรียนภาษาอังกฤษเท่าไรมันก็ไม่เก่งอ่ะมันขาดตรงนี้มันเป็นภาษามีพจน์ปัจจัยแล้วไวยากรณ์เรามันไม่เข้ากันมันเป็นไวยากรณ์ภาษาคำโดดจริงๆเนี่ยเราต้องเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาในเอเชียเนี่ยเราจะเก่งแต่พอไปเรียนภาษามีพจน์ปัจจัยเนี่ยเราเราไม่เอามาใช้เราไม่มาพูด เราคิดดูจะทำอย่างไรซึ่งในไม่แปลกที่พระธมะเนี่ยนะเข้ากินเนสบุ๊กอะกินเนสบุ๊กอเมริกาคอนอะนี่องคนี้นะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่องค์หน้านะไปถ่ายภาพที่บ้านเกิดท่านเออซึ่ง ที่ท่านรูปนี้เนี่ยท่องพระใจปิดกได้นะวิจิตรสาราพิวังสาเนี่ยเป็นรูปแรกของพมา่าที่ท่องพระใจปิดกได้หมดเลยจนกิน n n e s s Book of Record ได้บันทึกในปี228บอกว่าเป็นอัศจรรย์ที่สมองมนุษย์เนี่ยสามารถท่องพระใจปิดกได้1 6 0 0หน้าคือพระพระมา่าที่ย่านกุ้งในปี 2,500 uh, 2,497 98เนี่ย97เป็นตัวอย่างของการใช้สมองที่ยอดเยี่ยมกินไอซบุ๊กเขาบันทึกมันก็เป็นวิธีที่โปรโมตการศึกษาประยัดของเขาแต่ถามว่าท่องได้ยังะ่ะโครงสร้างวยากรก็เหมือนภาษาอังกฤษแต่ถ้าเรา ผู้ภาษาอังกฤษได้ท่องภาษาอังกฤษมันกระด้างทำไมคนลังกาเนี่ยนะสวดมนต์เก่งชาวบ้านเนี่ยจะสวดอะไรก็ได้ทำบัญญัติก็ได้กรณีก็ได้ก็วิทยากรณ์ภาษาสิงห์ฝนมันคือไวยากรณ์บาลีโครงสร้างเดียวกันลองให้คนไทยมาท่องคัมภีร์ไทยมันก็ง่ายคนระับคิดเรื่องนี้ด้วยนะ บาลีปริยัติเก้าหน้าเนียฝากเอาไว้ว่าจะทำอย่างไรจะต้องปกติภาษามันมีทักษะสี่ด้านทั้งพูดฟังพูดเขียนอ่านแต่เราเรียนภาษาบาลีกี่ทักษะเขียนกับอ่านไม่ฟังไม่พูดเราอ้างว่าไม่มีสอบและเสียเวลาแต่จริงมันเป็นส่วนสาคัญในการเรียนภาษา สุดท้ายเรื่องของวิปัสนาสุสากลเรื่องของอวิปัสนาธุระเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่ให้ได้มิฉะนั้นเราไปสอนฝรั่งไม่ได้กรรมฐานของเรานี่แหละทำไมเวลาที่กรรมฐานมันไปสู่นานาชาติเนี่ย จึงเป็นที่ต้อนรับเพราะเขาสามารถอธิบายด้วยาศาสตร์สมัยใหม่ยกตัวอย่างเพราะเวลาจำกัดและองค์ดร า, ายลามะเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้กรรมฐานเป็นที่เขาเรียกว่าตื่นเต้นนั้นในยุโรปในอเมริกาเพราะ ท, าท่านส่งลูกศิษย์ของท่านให้ทดลองเลยให้ฝรั่งทดลอง ในปี1992เอาลามะเนี่ยที่นั่งกรรมาฐานเนี่ยนะไปแท็บเข้ากับเครื่องไอตรวจคลื่นสมองเนี่ยเครื่องเนี้ MRI ก็ดี AEG ก็ดีเนี่ยแล้วก็แท็บเข้าไปพอเชื่อมกับสมองเนี่ยมันทำให้สามารถรู้เลยนะ ว่าตอนเข้าฌานเนี่ยสมองทํางานอย่างไรเข้าฌานสมาบัติคลื่นสมองคลื่นไฟฟ้าสมองมันอยู่ในระดับไหนมันฟุ้งสงั้นไหมเพราะสมองเราคิดเป็นประจุฟไฟฟ้ามันเป็นคลื่นถ้าคลื่นความถี่มันเยอ ะ, สะแสดงว่าคิดมากจิตไม่สงบนั่งหลับตาไปมาสอบวิปัสสนาปริญญาโท แต่ว่าเส้นขึ้นแทบสมองมันจะรู้เลยจิตไม่สมงบอย่าไปให้เอเลยอย่างเงี้ยสอบผ่านก็บุญแล้วเขาทำเลงอย่างที่ท่านเห็นเน่ยนะดูคลื่นสมองแล้วก็สมองมันมีมีประจุไฟฟ้าเนี่ยนะเนี่เพราะจิตสงบเนี่ ย, ม, ยมันมีตั้งยี่สิบสองหมื่นล้าน เป็นไม่รู้กี่ล้านครัคลื่นสมองนี่เขาวัดได้ท่านกราฟเนี่ยเวลาท่านนั่งกรรมฐานนะนั่งหลับตาเนี่ยแต่ปรากฏว่าคลื่นสมองเนี่ยนะมันมีกราฟนี่นะถ้ามันทํางานยุ่งเหมือนกับขนาดเนี้สิบสองถึงสามสิบเขาเรียกว่ามันเยอะนะเป็นคลื่นขยุกขยิกเนี่ยแสดงว่าจิตไม่สงบท่านท่านนั่งฟังผมพูดเนี่ยท่านกำลังคิดเนี่ย มันจะอยู่ในระดับเบต้าสิบสองถึงสามสิบไซโคมันจะบอกเลยถ้าท่านไปที่สงบสงบนะก่อนนอนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแปดถึงสิบสองแล้วก็เข้ากรรมฐานมันจะลดลงไปเรื่อยทีสิบสี่ถึงเจ็ดถ้ามันเขาเรียกว่าเทต้าเดต้าเนี่ยนะแต่ถ้าเข้าฌานสมาบัติเนี่ย มันจะเป็นมันทำงานช้ามาันหนึ่งถึงสี่ไม่แอคทีฟเลยเหมือนจิตเข้าพวังเนี่วังข้าจิตถ้าเป็นวิถีจิตเนี่ยมันจะทำงานยึมันจะมาที่สมองเพราะฉะนั้นเดลต้าเนี่ยมันจะทำให้จิตสงบอันนี้เข้านี้เข้าเข้าฌานสมาบัติเราไปอยู่ชายทะเลมาจะอยู่ขั้นอัลฟาเนี่ยนะครับสงบพอใกล้สอบมันก็มานี่แหละครับสิบสองนี่เบลต้า อันนี้เขาวัดได้เลยศาสสมัยใหม่ปรากฏว่าทางดาริลมามะให้วัดตื่นเต้นกันใหญ่กรรมฐานแบบโน้นนี่ยังไม่ได้มาเราเนี่ยพุทธโครเนี่ยเนั้นจะตื่นเต้นห น, กนักกว่านี้นอีกเนีูเออแม้กระทั่งเขาจะบอกว่าอย่างนี้นะครับเออที่น่าสนใจทนะ่านคนปฏิบัติสมถะกับวิปัสสนาในยุโรปเขาวัดอีกนะถ้าเป็นสมถะ กา ว, วิปัสนาเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายวิปัสนาเนี่ยมันจะแอคทีฟในเรื่องความคิดเยอะกว่าสมถะ ส, สีเหลืองเนี่ยนะคือการบอกว่าคิดเพราะกำหนดรู้ไงแต่เป็นการกำหนดรู้ที่สงบนะสีเหลืองเนี่ยแต่มันจะทำงานตามรู้ต่างๆมีสติเพราะฉะนั้นกิจกรรมของจิตใจเยอะกว่าส่ายวิปัสานาแต่สมถะเนี่ยมันจะนิ่งสงบอยู่จุดเดียว วัดได้อีกว่าคนนี้เป็นสมถรถนิปพัสนาท่านปกติเซอไอคนเรานี่มันจะอยู่ในระดับเดลต้าถึงเบต้าเนี่ยนะคนทั่วไปเวลาคิดมากมันจะทำงานถึงสามสิบไซต์้นถ้านั่งกับมาฐานสงบสุดเนี่นเหลือแค่สี่แต่มีบางคนนยนะเป็นร้อยเลยท่านวงจรสมองทำเยอะเขาเรียกแกมมา แกมมาเนี่ยถ้าไม่บ้าก็คือพระเจ้าเลยนะพวกพลังสมองเยี่ยมเลยนะแต่ส่วนมากจะไปถึงไม่ถึงพระเจ้าหรอกมันเพี้ยนไปก่อนต้องระวังเนี่ยคลื่นสมองอ่เนี่ยแกมมาเวฟนะซึ่งวัดไม่ได้โดยคนธรรมดาเป็นชาวพันนาร์สีอะไรโนะอ่ะทีนี้เขาพูดถึงที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับงานงานวิจัย เขาถามคนนะในื้อในเช้า ว, วันทท่านตื่นถึงหลับเนี่ยท่านใจฟุ้งซ่านบ่อยไหมเขาให้จดเขาถามคนเป็นซแสนเลยมหาวิทยาลัยที่ฮาร์วาร์ดเขาถามปรากฏว่าคนตอบว่าในแต่ละชั่วโมงหรือแต่ทั้งวันเนี่ยเราจะฟุ้งซ่านอยู่ประมาณ47เเซ์ของเวลาที่เราตื่น กำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยนะพื่ท่านนั่งฟังอยู่เนี่ยนะแต่จิตท่านวิ่งไปที่อื่นเนี่ยถ้าไม่คุมเลยนะถ้าปล่อยธรรมนาใจลอยได้นะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านฟุ้งซ่านไปประมาณยี่สิบห้านาทีนะจึงไม่แปลกนะบางคนเข้าเรียนก็ไม่ได้ค่อยรู้เรื่องหรอกตัวอยู่ที่ใจไปที่อื่นฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยเล่ามาใช้ได้คนลูกศิษย์เราแต่ว่าถ้าปฏิบัติกรรมฐานเนี่ย เวลาที่ฟุ้งซ่านมันจะน้อยลงน้อยลงจนสามารถสนใจใส่ใจตั้งมั่นอยู่กับเรื่องที่เรียนที่ทำนี่คือเอามาใช้ในกรรมาฐานในการเรียนในทุกวันรัทนทังไงให้เด็กฟุ้งซ่านน้อยลงและอยู่กับเรื่องที่เรียนที่ฝังอีกเรื่องหนึ่งก็คืองานวิจัยที่ที่ทำที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับผมจะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายแหละก็คือ นี่เป็นงานวิจัยง่ายๆแต่มีอิทธิพลทั่วโลกคาริยงอิมแพท่านดูภาพที่เห็นในจอเนี่ยนะคนที่ทำนี่เป็นโปรเฟสเซอร์ชื่อลิเบตเบนจามินลิเบตเขาบอกว่าเวลาที่ท่านสมมติว่ากดสวิตช์ไฟเนี่นะเขาทดลองโดยให้คนกดสวิตช์ไฟแต่ แต่คุณคนที่เขาทดลองเนี่ยจะมีเครื่องแถบสมองวัดสมองการทํางานสมองมอนิเตอร์ตรวจสอบตลอดว่าสมองคิดอะไรทําอะไรบอกได้ว่าจุดไหนสั่งการเวลาเราจะกดนิ้วมือกดสวิตช์ไฟเนี่ยสมองส่วนไหนสั่งการเขาวัดได้หมดนะครับเครื่องมือสมัยใหม่ทีนี้เขาทดลองอย่างนี้ก็เอาผู้ทดลองมา น, งนั่งแล้วก็กดเดีอบสวิตช์ไฟโดยให้บอกว่า คิดว่าจะกดสวิตช์ไฟตอนไหนบอกดูนาฬิกาด้วยแล้วนิ้วเนี่ยได้กดตอนไหนปรากฏมันจะคิดก่อนใช่ไหยเจตนาหังนที่เรียกกรนว่าทานี้เนี่ยเจตนาตั้งใจแล้วมันจึงเป็นกายกรรมวจีกรรมทีนี้พอใจสมองสั่งและกดเนี่ยปรากฏว่าใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมสั้นมากพอคิดกดเนี่ยมันกดเลยนะสมองมันสั่งปุ๊บมันจะต้องมาที่ไขสันหลังมัน เส้นประสาทเรามาถึงนิ้วเนี่ยมันวัดด้วยนาฬิกาปกติไม่ได้เพราะมันเป็นเสี่ยววินาทีวิทยาศาสตร์สมัยนียเ้เขาทํานาฬิก า, าสมัยใหม่ไอ้ที่วิ่งเฉือนกันร้อยเมตรเนี่ยเฉือนกันหนึ่งส่วนซีอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดเลยวิทยาศาสตร์เขาทํานาฬิกาเนี่ยหนึ่งนาทีเขาแบ่งเป็นหนึ่งพส่วนหนึ่งวินาทีนะหนึ่งวินาทีเนี่ย แบ่งออกเป็นพันส่วนไม่ใช่นาทีนะวินาทีแบ่งออกเป็นพันส่วนส่วนของวินาทีเขาเรียกมิลิวินาทีเหมือนมิลลิเมตรเนี่ยแบ่งเมตรออกเป็นพันส่วนเขาเรียกมิลลิเมตรแบ่งวินาทีเป็นพันส่วนเขาเรียกมิลิวินาทีไปดูพจนานุ ก, กรมฉบับ ร, ราชบัณฑิตเขาเก็บคำนี้ไว้ด้วยมิ mm. ลิ ix, วินาทีเนยะเปิดเลยภาษาอังกฤษคือมิลิเซัน แบ่งหนึ่งวินาทีเป็น 1,000 พันส่วนตั้งแต่สมองสั่งการจนกระทั่งกดเนี่ยใช้เวลา200มิลลิวินาที200ในหนึ่งวินาทีเนี่ยนะสส่วนเนี่ยเราสั่งการปุ๊บไปถึงกดนิ้วแสดงว่ามันมีเวลาขนาดนี้แต่ที่คนไม่รู้คืออะไรรู้ผู้ผู้กดไม่รู้คือ ก่อนที่จะรู้ตัวจิตสํานึกเนี่ยนะว่าจะกดเนี่ยจะสั่งให้กดเนี่ยสมองมันสั่งการก่อนเพราะว่าเขามีเครื่องตรวจสอบว่าสมองทํางานเมื่อไหร่สมองมันเริ่มคิดโดยที่จ้ตัวไม่มีจิตสํานึกไม่รู้ตัวเนี่ยห้550าร้อยห้าสิบมิลลิวินาทีที่เขาเนี่ยที่เขาทําเป็นสามส่วนสมองเนี่ ย, ม, ยมันเริ่มคิดนะนะว่าจะกดสมองตรงนี้สิสมองมันสั่งการเนี่ยเพราะมัน มันสั่งการเนี่ยนะครับทานไม่ต้องไปดูภาพนะเพราะสมองมันสั่งการเนี่ยว่าจะกดเนี่ยจนกระทั่งกดเนี่ยห้ามิลิวินาทีสั่งการโดยเจ้าตัวไม่รู้เนี่ยสามิมิลิวินาทีจนมารู้ตัวเนี่ยตอนที่350แล้วแล้วจึงกดเนี่ยใช้เวลาเหลือเวลาแค่200มิลิวินาที กระบวนการทั้งหมดในการกดนิ้วแค่นี้นะใช้เวลาครึ่งวินาทีห้าร้อยห้าสิบจากนหนึ่งพันก็นคือครึ่งวินาทีนะแค่นี้นะแต่เรารู้ตัวเพียงสองร้อยก่อนหน้านั้นไม่รู้ตัวอธิบายอะไรครับอธิบายเรื่องพวังขจิตพวังคัจรณนะผวังคู ป, ปัดเฉทะชวนณวิถีเนะี่ยไอ้ที่สิบเจ็ขณะเนี่ย มันอยู่ตรงนั้นมาเลยสอนอภิธรรมได้อย่างดีเลยท่านด้วยวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมฐานท่านจะคุมสติตอนไหนเวลาจะด่าเนี่ยเวลาจะด่าคนเนี่ยมันคิดจะด่า ก, ก่อนแล้วตั้งห้า้อยห้าิมิลลิวินาทีจนสมองสั่งให้ด่าเนี่ยมันเบรกทันไหมครับสองร้อยวินาทียากมากวิทยาศาสตร์ยืนยันเพราะฉะนั้น ไอตัวภวันขจิตสั่งการมาก่อนมันมาแล้วภวังคจรณะภาวังคุปัดเฉทนะตัดภวันจนกระทั่งมาด่ากันเนี่ยมันสั้นมากนะครับ<ทะ>สิ่งที่ค้นพบเหล่านี้คือศาสตร์สมัยใหม่แล้วเอาไปสื่อในโลกตะวันตกเนี่ยมาทำให้จิตวิทยาพุทธจิตวิทยาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานสู่สากลไม่ยากแต่ต้องเรียนรู้เรื่องที่เขาวิจัยไว้ซึ่งในบรรดาพวกเราที่มาทําวิจัยเนี่ย สามารถเอามาต่อยอดได้ไปศึกษาของเขาแล้วเอามาเทียบกับของเราเราจะสื่อให้ชาวโลกเข้าใจได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของปริยัตปฏิบัติสู่สากลครับถวายท่านหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในที่สุดนี้ก็ขอเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณสมความดีท่านปวงจงบารมกัน เป็นตะบะเดชะพลวะปัจัยอํานวยวอวยพรให้การประชุมครั้งนี้สําเร็จรู้่วมไปตามมโนโปณิธานทุกประการขอทุกท่านจงในส่วนในความเจริญรอบงานภพ่บูรยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถรารนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบดีธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้ น, น, นจงผ่านสําเร็จจงผ่านสําเร็จจงผ่านสำเร็ จ, จ ส, จจ ส, จสมโนรถุกมากปรารถนาทุกประการ ตลอดการลัฐนานเทิน